ธรรมบทแปลเรื่องมัทธะกุนทลีภาคที่หนึ่งเรื่องที่สองพระคถาที่สองว่ามโนบุพังข้ามาธรรมามโนเศรษฐามโนมยามนาัสาเจประสันเนนะพาสติวากรโรติวาตะโตนัง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 พระผู้มีพระภาคทรงปรารพมัถธะกุณฑลีมานพพาสิทธ์แลในกรุงสาวัตถีนั่นแหละดังได้สดับมาในกรุงสาวัตถีมีพรามคนหนึ่งชื่ออัตินนะบุปกะเขาไม่เคยให้สิ่งของอะไรอะไรแก่ใครๆเพราะฉะนั้นประชุมชนจึงได้ตั้งชื่อเขา ว, ว่าอัตินนะบุปกะ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 โดยชื่อว่ามัฏฐ ก, กุณฑลีในเวลาเมื่อบุตรนั้นอายุได้ส6กปีเกิดเป็นโรคหอมเหลืองมานดาแลดูบุตรแล้วจึงพูดกับพรามผู้สามีว่าพรามโรคเกิดขึ้นแล้วแก่บุตรของท่านขอท่านจงหาหมอมารักษาเขาเสียเถิดพรามจึงตอบว่า นางผู้เจริญถ้าเราจะหาหมอมาเราก็จะต้องให้ค่าขวัญข้าวาแก่เขาหล่อนช่างไม่มองดูความเปลืองทรัพย์ของเราบ้างเลยนางบรมณีจึงถามว่าเมื่อเป็นอย่างนี้ท่านจะทําอย่างไรเล่าพราหมพรา ม, รมนั้นจึงตอบว่าทรัพย์ของเราจะไม่สิ้นเปลืองไปได้อย่างไรเราจะทําอย่างนั้นพราหมณนั้นจึงไปยังสํานัก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 โรคได้กำเริบกล้าขึ้นแล้วจนเข้าถึงความไม่มีใครที่จะเยียวยาได้ปรามรู้ว่าบุตรดูปภารภาพแล้วจึงหาหมอมาคนหนึ่งหมอนั้นมาตรวจดูแล้วจึงพูดเลี่ยงว่าข้าพเจ้ามีกิจอยู่อย่างหนึ่งท่านจงหาหมออื่นมาให้รักษาเถิดดังนี้แล้วก็บอกเลิกกับปรามนั้น แล้วก็ลาไปปรมรู้เวลาว่าบุตรจวนจะตายแล้วคิดว่าเราชนที่มาแล้วมาแล้วเพื่อต้องการจะเยี่ยมเยียนบุตรนี้จะเห็นทรัพย์สมบัติภายในเรือนของเราเราจะเอาเขาไว้ข้างนอกนั่นนี้แล้วจึงนำเอาบุตรออกมาให้นอนที่ระเบียงเรือนข้างนอกตอน พระพุทธเจ้าเล็งเห็นอุปนิสัยของมัฏฐกุนตลีในเวลากำลังปัจจุสมัยคือเวลาจวนสว่างเดือนวันนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จออกจากพระมหากรุณาสมาบัติทรงเล็งดูโลกด้วยพุทธศักท์เพื่อทาดประเนตรเหล่าสัตว์ผู้เป็นเผ่าพันธุ์อันพระองค์พอแนะนำได้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 ทำการละแล้วจะเกิดในพิมานทองสูงสามสิบโยชในดาวดึงเทวโลกมีนางอับสอนเป็นบริวารบันหนึ่งฝ่ายพราหมณ์จะทำชาปนกิจสรีระนั้นร้องไห้ไปในป่าช้าเทพบุตรจะมองดูอัตภาพตนสูงประมาณสามก้าวุฒิือ3สามร้อยเส้นประดับด้วยเครื่องอลังการ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 เดี๋ยวนี้ไปป่าช้าร้องไห้อยู่เราจะทำเขาให้ถึงประการนันแปลกหนังนี้และด้วยความขัดเคืองในบิดาจะจำแรงตัวเหมือนมัถฐกุณตลีมานพมานั่งร้องไห้อยู่ที่ใกล้ป่าชา้าที่นั้นพรามจะถามว่าเป็นใครเขาก็จะตอบว่าเป็นมัถฐกุลทลีพรามก็จะถามว่าเธอไปเกิดในที่ไหน ให้ประบุก็จะตอบว่าในพบดาวดึงเมื่อพราหมถามว่าเพราะทมกรรมอะไรเขาก็จะบอกว่าเกิดพระจิตเลื่อมใสในเราพรามก็จะถามว่าขึ้นชื่อว่าความทำจิตให้เลื่อมใสในพระองค์เท่านั้นแล้วไปเกิดในสวรรค์มีอย่างนั้นหรือที่นั้นเราก็จะตอบว่าไม่มีใครอาจจะกาหนด ด้วยการนับได้ว่ามีประมาณเท่านั้นร้อยหรือเท่านั้นพันหรือเท่านั้นแสนดังนี้แล้วเราจะแสดงภาสิทธิ์คาถาในธรรมบทในการจบกาถาความตรัสรู้ธรรมจะมีแก่สัตว์ประมาณ 84,000 มพันมะกุณฑลีเทพบุตรจะเป็นพระโสดาบันถึงอถิณนนะปุปกาบรามก็เหมือนกัน อาศัยกุลบุตรนี้ความบูชาธรรมเป็นอันมากจะมีด้วยประการชนิดดังนี้กรั้นพระผู้มีพระภาคทรงทราบดังนี้แล้วในวันรุ่งขึ้นทรงทำความปฏิบัติชำระประสตีระเสร็จแล้วมีภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่แวดล้อมแล้วเสด็จเข้าไปสู่กรุงหกสาวัตถี เพื่อบินดาบาดเสด็จถึงประตูรเรือนของพรามโดยลำดับในขณะนั้นเมื่อตากุลทลีมานพกำลังนอนผิดหน้าไปข้างในเรือนพระาศาสดาทรงทราบว่าไม่เห็นพระองค์จึงได้เปล่งพระรัศมีไปวาบหนึ่งมานพกิดว่านี้แสงสว่างอะไรจึงได้นอนพลิกกลับมา เขาเห็นพระาศาสดาแล้วจึงคิดว่าก็เราอาศัยบิดาเป็นอนตพานจึงไม่ได้เข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าเห็นป่านนี้แล้วทำความขวนขวายด้วยกายหรือถวายทานหรือฟังธรรมเดี๋ยวนี้แม้แต่มือสองข้างของเราก็ยกไม่ไหวกิจที่ควรทำอย่างอื่นไม่มีหนังนี้แล้ว เขาก็ได้ทําใจเท่านั้นให้เลื่อมใสพระาศาสดาตรมลิว่าพ่อลักด้วยการที่มานพนี้ทําใจให้เลื่อมใสประมาณเท่านี้แล้วก็เสด็จหลิกไปเมื่อพระตถาคตพอกําลังเสด็จลับตาไปมานพนั้นมีใจเลื่อมใสทํากาละคือตายแล้วเป็นประดุษ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 เดี๋ยวนี้สิไปป่าช้าร้องไห้อยู่ควรที่เราจะทำแกให้ถึงประการอันแปลกนั่นนี่แล้วก็จําแรงตัวเหมือนมัสตะกุญตลีมานบมาแล้วได้กอดแขนยืนร้องไห้อยู่ในที่ไม่ไกลป่าชา้าพระเห็นเ่าแล้วจึงคิดว่าเราร้องไห้เพราะโศกถึงบุตรก่อนก็มานบนั่น เราให้ต้องการอะไรเราจะถามเขาดูดังนี้แล้วพรามนั้นเมื่อจะถามจึงได้กล่าวกาถานี้ว่าท่านตกแต่งแล้วเหมือนมัตะกุนทลีมีพาระคือระเบียบดอกไม้มีตัวฟุ้งด้วยจันเหลืองกอดแขนทั้งสองแกรมครวนอยู่ในกลางป่าช้าท่านเป็นทุกอะไรหรือมานพนั้น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 จะทำด้วยทองคำก็ตามทําด้วยแก้วก็ตามทําด้วยโลหะก็ตามทําด้วยเงินก็ตามท่านจงบอกข้าพเจ้าเถิดข้าพเจ้าจะประกันให้ท่านได้คู่ล้อของมันมานพได้ฟังคํานั้นแล้วจึงคิดว่าพราหมผูน้นี้ไม่ทํายาให้แก่บุตรแล้วครั้นมาเห็นเรารูปร่างคล้ายบุตรร้องไห้อยู่อย่างพูดว่า จะทำล้อรถซึ่งทำด้วยทองคำเป็นต้นให้ช่างเถิดเราจะแกล้งแกเล่นหนังนี้แล้วเทพประบุตจึงได้กล่าวว่าก็ท่านจะทำคู่ล้อให้แก่ข้าพเจ้าโตเท่าไหร่เมื่อบ ร, รามนั้นกล่าวว่าท่านจะต้องการโตเท่าไหร่เล่ามานพนั้นจึงบอกว่าข้าพเจ้าต้องการพระจันทร์และพระอาทิตย์ทั้งสองดวง ท่านอันข้าพเจ้าขอแลว้วโปรโดให้พระจันทร์และพระอาทิตย์ทั้งสองนั้นแก่ข้าพเจ้าเจิดบานบนั้นก็ได้กล่าวซ้ำในคถาที่สองอีกว่าพระจันทร์และพระอาทิตย์ทองแสงเป็นคู่กันในวิถีทั้งสองรถของข้าพเจ้าทำด้วยทองคำย่อมงามสมกับคู่ล้ออันนั้นลำดับนั้น พรามจึงได้ตอบเขาอย่างนี้ว่าพ่อมานพท่านผู้ปรารถนาของที่ไม่ควรปรารถนาเป็นคนเล่าวแท้ๆข้าพระเจ้าเข้าใจว่าท่านจะตายเสียเปลา่าจะไม่ได้พระจันทร์และพระอาทิตย์ทั้งสองเลยลำดับนั้นมานพจึงพูดกับพระรามนั้นว่าก็บุคคลผู้ร้องไห้เพื่อต้องการสิ่งซึ่งปรากฏอยู่ เป็นคนเกลาหรือว่าบุคคลผู้ร้องไห้เพื่อต้องการสิ่งซึ่งไม่ปรากฏอยู่เป็นคนเกล้ากันแน่เล่าดังนี้แล้วจึงได้กล่าวคำที่เป็นคาถากับพรามนั้นอย่างนี้ว่าแม้ความไปและความมาของพระจันทร์และพระอาทิต์ก็ปรากฏอยู่ธาตุคือวันนะแห่งพระจันทร์และพระอาทิต์ก็ปรากฏ อยู่ในวิธีทั้งสองส่วนชนที่ทำกาละละไปแล้วใครก็ไม่แหลเห็นบรรดาเราทั้งสองผู้คร่าครวญอยู่ในที่นี้ใครจะเป็นคนกล่าวกวากันเมื่อปรามได้สดับคำนั้นแล้วกำหนดได้ว่ามานบนี้พูดถูกจึงได้กล่าวคาที่เป็นคาถากับมานบนั้นว่า พ่อมานพท่านพูดจริงทีเดียวบรรดาเราทั้งสองผู้คร่ำครวญอยู่ในที่นี้ข้าพเจ้าเองเป็นคนเกลาากว่าข้าพเจ้าอยากได้บุตรที่ทำกาละแล้วคืนมาเป็นเหมือนทารกร้องไห้อยากได้ประจันท์เดืนี้แล้วเป็นผู้หายโศกเพราะถ้อยคำของมานพนั้น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 ได้ถอนลูกศรคือความโศกอันเสียดหารุไทยข้าพเจ้าออกได้หนาข้าพเจ้านั้นเป็นผู้มีลูกศร อ, อันท่านถอนเสียแล้วเป็นผู้เย็นสงบแล้วพ่อมานุปข้าพเจ้าหายเศร้าโศกหายร้องไห้เพราะได้ฟังถ้อยคำของท่านขณะ น, น, นั้นปรามเมื่อจะถามเ่าว่าท่านชื่ออะไร จึงได้กล่าวขึ้นว่าท่านเป็นเทวดาหรือคนทันหรือว่าเป็นเท้าปุรินทะสั ก, กะเทวราชท่านชื่อไรหรือเป็นบุตรของใครข้าพเจ้ารู้จากท่านได้อย่างไรลำดับนั้นมานพจึงได้บอกกับพระามนั้นว่าท่านเผาบุตรคนใดในป่าช้าเองแล้วย่อมคร่ำครวญ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 ข้าพเจ้าไม่เห็นท่านไปเทวโลกได้เพราะกรรมอะไรมนุบจึงได้กล่าวว่าข้าพเจ้ามีโรคเป็นทุกข์เจ็บป่วยมีกายระส่ำรสายอยู่ในเรือนของตนได้เห็นพระพุทธเจ้าผู้ปราศจากกิเลสทุลีข้ามความสงสัยเสียได้เสด็จไปดีมีพระปัญญาไม่ซาม ข้าพเจ้านั้นมีใจเบิกบานแล้วมีจิตเลื่อมใสแล้วได้ถวายอัญชลีในพระตถาคตเจ้าข้าพเจ้าได้ทำกุศลกรรมนั้นแล้วจึงได้ถึงความเป็นเพื่อนของเหล่าไตรทศคือเทพ ย, ายดาเมื่อมานพนั้นกำลังพูดพร่ำอยู่นั่นเดียวสรีระทั้งสิ้นของพรามก็เต็มแล้วด้วยปีติ เเมื่อจะประกาศปีตินั้นจึงได้กล่าวว่าน่าสจใจหนอหน่าประหลาดหนาวิบากของการทรรัชเลีนี้เป็นไปได้เช่นนี้แม้ข้าพเจ้ามีใจเบิกบานแล้วมีจิตเลื่อมใสแล้วถึงพระพุทธเจ้า ว, ว่าเป็นสาณะในวันนี้แลลา ด, ดับนั้นมานุปจึงได้กล่าวตอบ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 จงเว้นของที่เจ้าของอยังไม่ให้ในโลกจงอย่าดื่มน้ำเมาจงอย่าพูดปดและจงเป็นผู้เต็มใจด้วยประยาของตนพรามนั้นจึงรับคำว่าดีแล้วและพรามนั้นจึงได้พาสิทธิคาถานี้ว่ายักษ์ท่านเป็นผู้ใครประโยชน์แก่ข้าพเจ้าเที่ปะยาดา ท่านเป็นผู้ใครสิ่งที่เกื้อกูลแก่ข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะทําตามถ้อยคาของท่านท่านเป็นอาจารย์ของข้าพเจ้าข้าพเจ้าเข้าถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นสาสนะด้วยข้าพเจ้าเข้าถึงแม้พระธรรมซึ่งไม่มีสิ่งอื่นยิ่งกว่าว่าเป็นสาสนะด้วยข้าพเจ้าเข้าถึงประสงค์ของพระพุทธเจ้าผู้เป็นจอมมนุษย์พิเศษ ดุดเทพยาดาว่าเป็นสรณะด้วยข้าพระเจ้าจะรีบเว้นจากปานาติบาตเว้นของที่เจ้าของอยังไม่ให้ในโลกไม่ดื่มน้ำเมาไม่พูดปดและเป็นผู้เต็มใจด้วยปริยาของตนลำดับนั้นเทพระบุตกล่าวกับพรามนั้นว่าพรามทรัพในเรือนของท่านมีมาก ท่านจงเข้าไปเฝ้าพระศาสดาแล้วถวายทานจงฟังธรรมจงถามปัญหาหนังนี้แล้วเทพบุตรนั้นก็อันตรธานไปนะที่นั้นนั่นแหละตอนพรามถวายทานแด่พระพุทธเจ้าฝ่ายพรามไปเรือนแล้วเรียกนางปรามณีมาแล้วพูดว่านางผู้เจริญ ฉันจะนิมนต์พระสมณโคดมแล้วทูลตามปัญหาหล่อนจงทาเตรียมเครื่องสักการะดังนี้แล้วก็ได้เข้าไปสู่วิหารไม่ถวายบังคมพระาศาสดาเลยไม่ทำปฏิสันฐานยืนนะที่ควรข้างหนึ่งแล้วกราบทูลว่าท่านพระโคดมผู้เจริญขอปรองกับทั้งภิกษุสงฆ์ จงทรงรับพระทหารของข้าพระองค์เพื่อเสวยในวันนี้พระศาสดาทรงรับแล้วเขาได้ทราบว่าพระศาสดาทรงรับแล้วจึงรีบกลับมาใช้คนให้ตกแต่งคาติยะโพชนียาหารไว้ในเรือนของตนพระศาสดามีหมู่พิกษุสงแวดล้อมแล้ว เสด็จไปสู่เรือนของปรามนั้นประทับนั่งบนอาสนะที่เขาแต่งไว้พรา์อังคาตคือเลี้ยงแล้วด้วยเคารพมาชนประชุมกันได้ยินว่าเมื่อประตาคตอันปรามผู้มิจฉาทิฏฐินิมนต์แล้วมูชนสองพวกมาประชุมกันคือพวกชนผู้เป็นมิจฉาทิฏฐิ ประชุมกันด้วยตั้งใจว่าวันนี้พวกเราจะคอยดูพระสัมมาโคดมที่ถูกพรามเบียดเบียนอยู่ด้วยการถามปัญหาส่วนพวกชนผู้เป็นสัมมาทิฐิก็ประชุมกันด้วยตั้งใจว่าวันนี้พวกเราจะคอยดูพุท ธ, ธวิสัยพุท ธ, ธลีลาลำดับนั้นพรามจึงเข้าไปเฝ้าพระตถาคต ผู้ทรงทมพัฒกิจเสร็จแล้วนั่งบนอาสนะต่ำได้ทูลถามปัญหาว่าท่านพระกรมดมผู้เจริญมีหรือขึ้นชื่อว่าเหล่าชนที่ไม่ได้ถวายทานแก่พระองค์ไม่ได้บูชาพระองค์ไม่ได้ฟังธรรมไม่ได้รักษาอุโบสถเลยได้ไปเกิดในสวรรค์ด้วยสักว่าทาใจเลื่อมใส อย่างเดียวเท่านั้นพระศาสดาจึงได้ตรัสว่าพรามเหตุใดท่านมาถามเราความที่ตนทำใจให้เลื่อมใสในเราแล้วเกิดในสวรรค์อันมัถฐกุณฑลีผู้บุตรของท่านบอกแก่ท่านแล้วไม่ใช่หรือพรามจึงถามว่านั่นเกิดขึ้นเมื่อไหร่หรือท่านพระคุมผู้เจริญ พระศาสดาจึงตอบว่าก็วันนี้ท่านไปป่าช้าคร่ำครวนอยู่เห็นมานบคนหนึ่งกอดแขนคร่ำครวนอยู่ในที่ไม่ไกลแล้วถามว่าท่านตกแต่งแล้วเหมือนมัฏฐานกุลีมีภาระคือระเบียบดอกไม้มีตัวฟุ้งด้วยจันเหลืองดังนี้เป็นต้นข้อนั้นเป็นอย่างนั้นมีใช่หรือ และเมื่อจะส่งประกาศถ้อยคำที่ชนทั้งสองกล่าวกันแล้วได้ตรัสเรื่องมัทธะกุณตลีทั้งหมดพระชนันแลเรื่องมัถธะกุณตลีนั้นจึงได้ชื่อว่าเป็นพุทธภาษิตก็แลกรันประตถาคตตรัสเล่าเรื่องมัทธะกุณตลีนั้นแล้วจึงตรัสว่าพระมเ่าสัจ ซึ่งทำใจให้เลื่อมใสในเราแล้วเกิดในสวรรค์ใช่ว่าจะมีแต่ร้อยเดียวและสองร้อยโดยที่แท้เราสัตว์ซึ่งทำใจให้เลื่อมใสในเราแล้วเกิดในสวรรค์มีจํานวนนับไม่ได้มหาชนได้เป็นผู้เกิดความสงสัยแล้วลำดับนั้นพระศาสดาทรงทราบความที่มหาชนนั้น ไม่สิ้นความสงสัยได้ทรงอธิษฐานว่าขอมัตตากุณฑลีเทพบุตรจงมาพร้อมด้วยวิมานทีเดียวมัตตากุณฑลีมีอัตภาพอันประดับแล้วด้วยเครื่องอาพรทิพสูงประมาณสามข่าวุธมาแล้วลงมาจากวิมานถวายบังคมพระาศาสดาแล้วได้ยืนนะที่ควรข้างหนึ่ง ลำดับนั้นพระาศาสดาเมื่อจะตรัสถามเติอว่าท่านทำกรรมสิ่งไรจึงได้สมบัตินี้จึงได้ตรัสพระกาถานี้ว่าเทวดาท่านมีกายงามยิ่งนักยืนทำทิศทั้งสิ้นให้สว่างเหมือนดาวประจำรุ่งเทวดาเราขอถามท่านผู้มีอนุภาพมาก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 ข้อนั้นเป็นอย่างนั้นพระโชคลามหาชนแลดูเทพประบุตรแล้วได้ประกาศความยินดีว่าแม่พ่อพุทธคุณน่าสะใ์จริงเนาะบุตรของอาตินนะบุปกาปรามไม่ได้ทำบุญอะไรอะไรอย่างอื่นยังใจให้เลื่อมใสพระาศาสดาแล้วได้สมบัติเห็นป่านนี้ตอนใจเป็นใหญ่ ในกรรมทุกอย่างลำดับนั้นพระาศาสดาพระแก่พวกชนเหล่านั้นว่าในการทำกรรมที่เป็นกุศลและอกุศลใจเป็นสภาพถึงก่อนใจเป็นใหญ่เพราะว่ากรรมที่ทำด้วยใจอันปองใสแล้วย่อมไม่ละบุคคลผู้ไปสู่เทวโลกมนุษย์โลก ดุดเงาฉะนั้นกร้นตรัเรื่องนี้แล้วทรงเป็นธรรมราชารพระกาานี้สืบ อ, อนุสนติประดุดพระราชาประทับพระราชสารซึ่งมีดินเหนียวประจำไว้ด้วยพระราชฉันจกรดังนี้ว่าธรรมะทั้งหลายมีใจเป็นหัวหน้า มีใจเป็นใหญ่สำเร็จแล้วด้วยใจถ้าบุคคลมีใจพองใสแล้วพูดอยู่ก็ดีทำอยู่ก็ดีความสุขย่อมไปตามเขาเพราะเหตุนั้นเหมือนเงาไปตามตัวฉะนั้นบาลีว่ามะโนบุพังข้ามาธรร ม, มามะโนเศรษฐมะโนมยามนาาัสาเจ ปัันเนนะภาสติวากะโรติวาตะโตนางสุขมะเนวติช้ายาวะอนุปายินีดังนี้ก็จิตที่เป็นไปในสี่ภูมิทั้งหมดเรียกว่าใจในพระคถานั้นโดยไม่แปลกกันแม้ก็จริงถึงอย่างนั้นเมื่อนิยม กำหนดกำหนดลงในคำนี้ย่อมได้แก่จิตที่เป็นกามาวจรกุศลแปดดวงก็เมื่อกล่าวด้วยสามารถวัตถุย่อมได้จิตที่สารคตด้วยโสมนั้ประกอบตัวยานแม้จากกามาวจรกุศลจิตแปดดวงนั้นคำว่าบุพพังข้ามาแปลว่าเป็นสภาพถึงก่อน ได้แก่ประกอบด้วยใจนั้นอันเป็นธรรมชาติถึงก่อนขันทั้งสามมีเวทนาขันเป็นต้นชื่อว่าธรรมมาแปลว่าธรรมทั้งหลายแท้จริงใจเป็นสภาพถึงก่อนของอรูปขันทั้งสามมีเวทนากันเป็นต้นโดยอัตต า, า่าเป็นปัจจัยเรื่องให้เกิดขึ้น เหตุนั้นขันทั้งสามประการนั่นจึงชื่อว่ามีใจเป็นสภาพถึงก่อนคือโมโนโบุพังข้ามาเหมือนอย่างว่าเมื่อตายกเป็นอันมากกำลังทำบุญร่วมกันมีถวายบาตรและจีวรเป็นต้นแกพิกสูงมูใหญ่ก็ดีมีบูชาฟังธรรมตามประทีปและทสาสักการะ ด้วยระเบียบดอกไม้อันโอรานเป็นต้นก็ดีเมื่อมีผู้กล่าวว่าใครเป็นหัวหน้าของทายกเหล่านั้นทายกผู้ใดเป็นปัจจัยของพวกเขาคือพวกเขาอาศัยทายกผู้ใดจึงทาบุญเหล่านั้นได้ทายกผู้นั้นชื่อติดสาก็ตามชื่อปุตสาก็ตามประชุมชนย่อมเรียกว่า เป็นหัวหน้าของพวกเขาฉันใดคำอุปมาย่ซึ่งเป็นเรื่องให้เกิดเนื้อความถึงพรามนี้มัณดิตพึงทราบจันนั้นใจชื่อว่าเป็นสภาพถึงก่อนของธรรมเหล่านี้ด้วยอัตตาว่าเป็นปัจจัยเรื่องให้เกิดขึ้นด้วยประการชนนี้เหตุ น, นั้นธรรมเหล่านี้จึงชื่อว่า มีใจเป็นสภาพถึงก่อนแต่จริงทำเหล่านั้นเมื่อใจไม่เกิดขึ้นย่อมไม่สามารถจะเกิดขึ้นได้ส่วนใจเมื่อเจตสิกธรรมบางเหล่าถึงยังไม่เกิดขึ้นก็เกิดขึ้นได้แท่และใจชื่อว่าเป็นใหญ่กว่าธรรมเหล่านี้ด้วยอำนาจเป็นอธิบดีเพราะฉะนั้น ธรรมะเหล่านี้จึงชื่อว่ามโนเศษฐแปลว่ามีใจเป็นใหญ่เหมือนอย่างว่าบุรุษผู้เป็นอธิบดีของประชุมชนมีคณะเป็นต้นก็เรียกว่าเป็นใหญ่แห่งคณะนะเป็นใหญ่แห่งกองทัพชั้นใดใจก็เป็นใหญ่แม้แห่งหรหธรรมเหล่านั้นไระเหตุนั้นธรรมะเหล่านี้ จึงมีชื่อว่ามีใจเป็นใหญ่ฉะนั้นอนหนึ่งสิ่งของทั้งหลายนั้นๆสําเร็จแล้วด้วยวัตถุมีทองกคำเป็นต้นก็ชื่อว่าสําเร็จแล้วด้วยทองกคำเป็นต้นฉันไดถึงธรรมะทั้งหลายนั่นก็ได้ชื่อว่ามโนมยาคือสําเร็จแล้วด้วยใจเพราะเป็นของสําเร็จมาแต่ใจฉะนั้น คำว่าประสันเนะนะแปล ว, ว่าผ่องใสแล้วได้แก่ผ่องใสแล้วด้วยคุณทั้งหลายมีความไม่เพ่งเหล็งเป็นต้นข้อที่ว่าพาสติวากรโรติวาแปล ว, ว่าพูดอยู่ก็ดีทําอยู่ก็ดีหมายความว่าบุคคลมีใจเห็นป่านนี้เมื่อจะพูด ย่อมพูดแต่วจีสุจริตสี่อย่างเมื่อจะทำย่อมทำแต่กายสุจริตสามอย่างเมื่อไม่พูดเมื่อไม่ทำย่อมทำแต่ม โ, มโนสุจริตสามอย่างให้เต็มที่เพราะตนมีใจผ่องแผ้วแล้วด้วยคุณทั้งหลายมีความไม่เพ่งเล็งเป็นต้นนั้นกุศลกรรมบทตรสิบอย่างของเขา ย่อมถึงความเต็มที่คือสมบูรณ์ด้วยประการอย่างนี้ก็ที่ว่าตะโตนั่งสุขมะเนวติแปลว่าความสุขย่อมไปตามเขาเพราะเหตุ น, นั้นได้แก่ความสุขย่อมตามบุคคล น, นั้นไปเพราะสุจริตสามอย่างนั้นกุศลทั้งสามภูมิพระผู้มีพระภาคเจ้า ทรงประสงค์แล้วในที่นี้เพราะฉะนั้นมันดิตพึงทราบอธิบายว่าความสุขที่เป็นผลซึ่งเป็นใบต่างกายและเป็นใบต่างจิตโดยประยายนี้ว่าความสุขมีกายเป็นที่ตั้งบ้างความสุขมีจิตนอกนี้เป็นที่ตั้งบ้างย่อมตามไปคือว่าย่อมไม่ละบุคคล น, นั้น ผู้เกิดแล้วในสุคติพบก็ดีตั้งอยู่แล้วในที่เสวยสุขในสุคติก็ดีเพราะอนุภาพแห่งสุจริตที่เป็นไปในภูมิสามถามว่าเหมือนอะไรตอบว่าช้ายาวะอนุปาญีแปลว่าเหมือนเงาไปตามตัวอธิบายความว่าเหมือนอย่างว่าธรรมดา เงาเป็นของเนื่องกับสิรีระเมื่อสรีระเดินไปมันก็เดินไปเมื่อสิรีระหยุดอยู่มันก็หยุดเมื่อสิรีระนั่งมันก็นั่งไม่มีใครสามารถที่จะว่ากล่าวกับมันด้วยถ้อยคำมันละเอียดก็ดีด้วยถ้อยคำมันหยาบก็ดีว่าเจ้าจงกลับไปเสียหรือเคี่ยนตีแล้วจึงให้กลับได้ เพราะนั้นเราะเหตุไรเพราะมันเป็นของเนื่องกับสรีระข้อนี้ฉันใดความสุขที่เป็นใบทางกายและเป็นใบทางจิตดังโดยสุขมีการมาวชจรสุขเป็นต้นซึ่งมีกุศลแห่งกุศลกรรมบทสิบอย่างเหล่านี้ที่บุคคลประพฤติมากแล้วและประพฤติดีแล้วเป็นรากเงาย่อมไม่ละบุคคลนั้น ในที่แห่งเขาไปแล้วและไปแล้วเหมือนเงาไปตามตัวฉันนั่นแหละในการจบระถาความตรัสรู้ธรรมได้มีแล้วแก่เราสัตว์แปดหมืนสี่พันมัตตกุนตลีเทพบุตรตั้งอยู่แลในโสดาปฏิผลอทิณ น, นะบุปผกาปรามก็เหมือนกันเขาได้หวานสมบัติมากขนาดนั้น ลงไว้ในพระพุทธศาสนาแล้วแหละเรื่องมัทธะกุลทลี